ก็เพื่อนสาธมิกทุกคนนะแล้วก็ไม่ชีย่ยาติธรรมทั้งหมดนะก็เราเข้ามาที่สุขโตกันก็เข้ามาปฏิบัติธรรมกันนีการปฏิบัติธรรมเนี่ยลวพ่อคุมเขียนที่เป็นประธานสงฆ์ที่นี่แล้วก็เป็นผู้เรียกว่าแนะนำอ่า แนะนำทิศทางการปฏิบัติของพวกเราก็จะเรียกว่าหาโอกาสทุกโอกาสเนาะที่จะให้พวกเราเนี่ยได้เจริญสติกันช่วงนี้ฝนฟ้าตกกันเยอะๆเนี่ยมันก่อนนี้ก็ตกตอนเช้าธมวัดเสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกสีนี่ก็เสียงดังเนาะหลวงพ่อก็บอกว่าเออ วันนี้เนี่ยเร า, าเทศแข่งเสียงฝนกันเอาอย่างนั้นในขณะที่เราเทศแข่งเสียงฝนหลวงพ่อเทศแข่งเสียงฝนเนี่ยก็ก็ต้องใช้ความพยายามเยอะหน่อยหนึ่งหลวงพ่อบอกว่าเออเราในขณะที่เทศแข่งเสียงฝนเนี่ยเราก็ลองเจริญสติแข่งความหลงกันในธรรมเนองนี้เนี่ยก็ หลวงพ่อก็เปรียบความหลงเนาะเหมือนเม็ดฝนที่ตกกระทบหลังคาเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยพวกเราก็คงจะนึกถึงว่าความหลงมันก็ถี่ยิบเหมือนกันเนาะอย่างนั้นถีบยิบเหมือนกับฝนตกกระทบหลังคาเพราะฉะนั้นนั่นคือการเจริญสติแข่งความหลงเนี่ยก็เทียบเท่ากับการที่เราก็ใช้ความพยายามที่จะเขาเรียกว่าเป่งเสียงให้ชนะเสียงฝน เพราะฉะนั้นนัคือตรงนี้เนี่ยก็เราก็จะได้เห็นว่าหลวงพ่อเองก็เรียกว่าเฉวยโอกาสทุกโอกาสที่จะแนะนําพวกเราว่าอการเจริญสติเนี่ยควรจะต้องทําแล้วเราก็ควรจะต้องทํากันขนาดไหนเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรียกว่านี่คือสิ่งที่หลวงพ่อเองเนี่ยก็ตั้งใจที่จะให้สถานที่นี้ เป็นสถานที่สำหรับที่เราจะได้ใช้เจริญสติภาวนากันหลวงพ่อก็ได้มาตั้งสุกโตก็อย่างน้อยเป็นเรื่องเป็นราวมาก็น่าจะกว่า35สหปีเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อบอกว่าการที่เลือกสุกโตเนี่ยไม่ได้เลือกด้วยเหตุอื่นแต่ว่าเลือกด้วยการที่ ตั้งใจจะให้สถานที่นี้เป็นที่สำหรับที่จะเจริญสติ Thursday, พอมน า, ากันเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยก็ทั้งหมดทั้งมวลที่ ห, หลวงพ่อพยายามทำอยู่แล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลที่หลวงพ่อพยายามที่จะพูดกับพวกเราที่จะพูดธรรมะให้พวกเราฟังที่หลวงพ่อบอกว่าไม่เคยไม่เคยเบื่อนอกอ่างนั้นหลวงพ่อก็จะพูดเรื่องเดียวก็คือเรื่องของการเจริญสติตรงนี้ จริงๆวันนี้หลวงพ่อเองก็อยู่เนาะแต่ว่าความที่สังขารก็ร่วงโรยไปเพราะฉะนั้นคือหลวงพ่อตื่นนะล่ละมาเช้านะตีสามหลวงพ่อก็ตื่นส่งเสียงนะฮะแต่ว่าก็คงจะสภาพกายคงไม่พร้อมที่จะออกมาเพราะฉะนั้นคือหลวงพ่อก็ไม่ได้มาเทศเพื่อรับฟัง แตาท่งน้องเดียวกันถึงหลวงพ่ไม่ได้ที่ยวแต่พอเังเนี่ยสิ่งที่เด่นที่สุดของหลวงพ่อก็คือการที่หลวงพ่อใช้ภาษาเนาะใช้ภาษาง่ายๆว่าทําให้ดูอยู่ให้เห็นคือครูบาอาจารย์เนี่ยคนที่มาก่อนเนี่ยสิ่งที่เขาเรียกว่าการเคลื่อนไหวเนาะการเคลื่อนไหวของร่างกายทั้งหมดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ให้พวกเราเนี่ย ได้เอาใจใส่สังเกตเนื่องจากว่าที่เราเนี่ยจะมีหลักของการเขาเรียกว่าหลักของการปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่กับการเคลื่อนไหวน ง, งนั้นหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนที่เป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งก็เรียกว่าได้ถ่ายทอดรูปแบบการเจริญสติผ่านความเคลื่อนไหวขึ้นมา อย่างที่พวกเราก็เห็นกันอย่างที่พวกเราก็ได้เริ่มทำกันก็คือการยกมือสร้างจังหวะคำว่ายกมือสร้างจังหวะตรงนี้เนี่ยก็สาระสำคัญก็คืออาศัยการเคลื่อนไหวเป็นเครื่องมือสําหรับการเจริญสติเพราะดวนั่นคือตรงนี้เนี่ยทุกครั้งที่เคลื่อนไหวเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเรื่องของการที่เราได้โอกาสในการเจริญสติเพราะฉะนั้นนันคือตรงนี้ที่บอกว่าก็ ถึงแม้ว่าหลวงพ่อไม่ได้เทศให้ฟังเนี่ยแต่ว่านั้นคือการเคลื่อนไหวของหลวงพอ่อทุกความเคลื่อนไหวเนี่ยก็ให้พวกเราที่อยู่ตรงนี้กันได้คอยเอาใจใส่สังเกตเช้านี้พวกเราก็คงจะได้เจอหลวงพ่อที่หอฉันกันตอนเชา้านั่นคือทุกอิริยาบถของหลวงพ่อเนาะก็จะเป็นอิริยาบถ ท, ที่พวกเราได้เรียนรู้เรียกว่าหลวงพ่อพระบาอาจารย์ก็ทาให้ดูอยู่ให้เห็นจริงๆคำว่าทาให้ดูเนี่ย ก็ไม่อยากใช้ว่าหลวงพ่อก็ไม่ได้พยายามทำให้ดูแต่ว่านั่นคืออากับกิริยาที่ได้ขัดเกลา่าวแล้วจากสติก็จะผ่านออกมาเป็นความงดงามที่พวกเราได้เห็นกันเราจะได้เห็นหลวงพ่อมักจะเรียกตัวเองว่าหลวงตาเนาะหลวงตาแก่ๆคนหนึ่งก็จะเป็นหลวงตาแก่ๆที่ธรมธรมดาๆเนาะแล้วก็ดูอบอุ่นนะตรงเนี้ยสิ่งตรงเนี้ยคือสิ่งที่ความอบอุ่นตรงนี้เนี่ย ก็เรียกว่าเป็นความอบอุ่นทางใจเนาะเป็นความอบอุ่นที่รับรองได้เลยว่าเราเนี่ยจะรู้สึกถึงเ็าเรียกว่าสัมผัสถึงความสบายสบายใจตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นที่สุดเนาะของการเจริญสติคือการเจริญสติเนี่ยสิ่งที่ผู้คนเนี่ยจะได้สัมผัสจากผู้ที่ถึงแล้วผู้ที่ได้เจริญสติ เรียกว่าก็ไม่รู้จะเรียกว่าไงได้ถึงแล้วนะอย่างหลวงพ่ออย่างเงี้ยก็จะเรียกว่าไม่ต้องพูดไม่ต้องทําอะไรเนาะก็สามารถเป็นที่พึ่งให้พวกเราได้พวกเราเนี่ยก็อาจจะร้อนล้นมาจากที่อื่นบ้างเนาะอย่างนั้นอาจจะร้อนกายร้อนใจณขณะนี้บ้างสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยเมื่อเจอหลวงพ่อเนี่ยเราก็จะพบว่าความเย็นความสงบที่แผ่มาจากหลวงพ่อเนี่ย ก็เป็นอนิสงฆ์ให้พวกเราเนี่ยได้สัมผัสกันนั่นคือตรงนี้หลวงพ่อเนี่ยถึงวันนี้หลวงพ่อไม่ได้พยายามที่จะทําให้พวกเราสบายใจไม่ได้พยายามที่จะทําให้พวกเราอืรู้ธรรมไม่ได้พยายามทําอะไรคือคําว่าพยายามในที่นี้เนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรที่เกินไปไม่ได้เบียดเบียนตัวเองไม่ได้อะไรทั้งหมดแต่เมื่อสิ่งที่ ปรากฏออกมาทั้งหมดเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นชีวิตจิตใจเนาะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคือตรงนี้เนี่ยนี่ก็คือเป้าหมายของพวกเราเนาะเป้าหมายของพวกเราการเจริญสติตรงนี้เนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องพยายามเพรา ะ, ะนั้นคือเป็นทุกลมหายใจของเราเป็นทุกๆเขาเรียกว่าทุกๆความเคลื่อนไหวของเรา เมื่อถึงเรานั่งอยู่เฉยเห็นแล้วก็ชื่นใจหรืนมันกคือตรงนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นลืมที่ถ้าหาก พ, พวกเราทํากันได้หลวงพ่อบอกว่าอยากให้พวกเราเนี่ยเริ่มต้นกันที่ตัวเราเองถ้าหากว่าเราเริ่มต้นกันที่ตัวเราเองเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ก่อประโยชน์ให้เราทันทีและก่อประโยชน์ให้กับคนอื่นทันทีโดยที่เราไม่ต้องทําอะไร การปฏิัติธรรมก็เริมต้นที่ตัวเราเองเนาะอย่างนั้นพระาจารยทรงศิหลวงพ่อมัฒนชัยที่ดูแลพวกเราที่พวกคณะที่มาใหม่เนี่ยก็จะได้พาพวกเราเนี่ยใช้สิ่งที่ไม่อยู่ในตัวเราทั้งหมดที่เราเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เวลาที่ถามกันว่าจะต้องแต่งตัวยังไงมาตรงนั้นเนี่ยเครื่องแต่งกายก็เป็นสิ่งภายนอกที่ไม่จาเป็น แต่วาสิ่งที่เป็นความจำเป็นกับพวกเราก็คือเรามีเครื่องมือมีกายมีใจแล้วก็มีสตินะอย่นั้นพวกเราก็คงได้ยินผ่านไปแล้วนะว่ากายใจสติกายใจสติเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่วันแรกที่พวกเรามาก็ตรงนี้ก็จะพูดกันทั่านี้กายใจสติก็คือสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นก็นคือตรงนี้เนี่ยอุปกรณ์ในการ เจริสติในการภาวนาเนี่ยก็มีติดตัวกับพวกเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะั่นคือเมื่อพวกเราเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ในรูปแบบ14จังหวะเนี่ยพวกเราก็จะพบว่าตรงนี้เป็นเรื่องใหม่เรื่องหนึ่งเมื่อพอเราจับเอาการเคลื่อนไหวเป็นการเจริสติเนี่ยการที่เรายกเลือสร้างจังหวะ14จังหวะซ้ําๆซ้าๆวนซ้ำอยู่ตรงนี้เนี่ยปรากฏว่า มันก็เร่มมีความรู้ขึ้นมาเนาะเริ่มมีความรู้ขึ้นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หลวงพ่ทเทียนก็เรียกว่าได้ถ่ายทอดธรรมะให้พวกคนรุ่นหลังฟังเนี่ยผ่านคารยุบ น, นุนชันจังหวะอย่างนี้ละ่ะเพราะฉะนั้นคือตรงนี้เนี่ยในขณะที่พวกเราเนาะกำลังตั้งใจที่จะดูกายเคลื่อนไหวตรงนี้เนี่ยมีสิ่งที่เราเองเราไม่ได้ตั้งใจเนาะอย่างนั้น ก็จะปรากฏให้เราเห็นเนาะอย่างนั้นสิ่งที่เรากำลังตั้งใจเคลื่อนไหวทางกายอยู่เนาะกำลังตั้งใจยกมือสร้างจังหวะอยู่ไอความไม่ตั้งใจต่างๆนานาทางกายที่เกิดขึ้นอธิเช่นสมมติหากว่าเราตั้งใจว่าเนาะหลงพ่ออาจารย์สินคงจะแนะนำว่าวางกายคลา ย, ลายวางใจกลางๆอย่างเนี้ยเนาะไม่เพง่งไม่เจ้า อ, อย่างเงี้ย จะเป็นคําแรกที่เป็นคําคล้องจองที่จําง่ายๆวางใจวางกายคลายคลาวางใจกลางๆางไม่เพ่งไม่เจ้างในขณะที่เราฟังศัพท์ตรงนี้เนี่ยพวกเราเองก็ศัพท์ทุกคําก็ชัดเจนเนาะวางกายคลายคลาก็เข้าใจวางใจกลางๆางก็เข้าใจไม่เพ่งไม่จ้องก็เข้าใจเป็นศัพท์ที่เคยเป็นทับที่เราเรียกว่าเคยได้ยินได้ฟังแล้วก็เข้าใจทั้งหมดเนี่ย แต่จริงๆแล้วเนี่ยคว่าเข้าใจตรงนี้เนี่ยก็เป็นคําเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้องเนื่องจากว่าความเข้าใจตรงนี้เป็นเพียงแค่ฟังรู้เรื่องเท่านั้นเองแต่ว่าในความเข้าใจจริงๆเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการที่เราเองเนี่ยเอาใจใส่สังเกตการเคลื่อนมือของเราการเคลื่อนไหวของเราตรงนี้เนี่ยการเคลื่อนกันหยุดของเราตรงนี้เนี่ยมันเป็นการเคลื่อนที่เรียกว่า บบการวางกายคล้ายๆจริงๆหรือเปล่าวันนี้นั่คือถ้าหากักเมื่อเราฟังเป็นศัพท์เราก็เข้าใจเรียบร้อยซึ่งคําเข้าใจเรียบร้อยตรงเนี้ก็เรียกว่าเป็นความหลงเนอะอย่างนั้นหลงว่าเข้าใจแล้วแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยรู้เรื่องรู้จักมาออกเพียงแค่ว่าอ้าวยกยุกยุกเลยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราต้องเอาใจสังเกตก็คือการที่เรากําลังเคลื่อนเหมือนทุกครั้งทุกครั้งเนี่ย กายเราคลียคลายจริงๆหรือเปล่ากายเรามีส่วนไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับการยกมุ่สร้างจาังหวะมีแขนเนาะอย่างนั้นมีแขนทั้งบนมีแขนทั้งล่างมีมือมีฝ่ามือสิ่งต่างๆนาน า, าเหล่านี้เนี่ยก็ให้เราเอาใจใส่สังเกตว่ามือเราคลายไหมดูจีบมือเกินไปไหมดูเกรงมือเกินไปไหมดูยกแขนเกินไปไหมใช้แรงมากเกินไปมากเกินความเป็นจริงหรือเปล่าทั้งหมดนี้เนี่ย ถ้าเกิดเมื่อเราพิจารณาแล้วเราก็จะพบว่าตัวเองเราก็จะค่อยๆได้ปรับเราจากการที่เราอาจจะยกอย่างแข็งแข็งยกอย่างตั้งอกตั้งใจมากเกินไปตัวนั้นก็เป็นการเบียดเบียนตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นคือตรงนี้เนี่ยพอเราเลื่มยกมือปุ๊บเนี่ยการที่เรากําลังพยายามที่จะพาตัวเองไปในเขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นหรือว่าพาตัวเองให้พ้นจากทุกข์ไปเนี่ยก็จะค่อยๆเริ่มต้นขึ้น เราจะพบมาาตั้งแต่ครื่งมันเนาะจากบ่ายไม่จะไ่ไปทั้งถึงเย็นเนี่ยหลายคนก็จะได้ตับเนาะร่างกายของเราการเคลื่อหมหยของเราจากการบางกายเกร็งเกร็งก็เป็นบางกายคลายคลไปได้เนาะอย่างนั้นบางทีบางคนก็อาจจะครื่งมันก็อาจจะยังทำไม่ได้เพราะอาจจะก็เรียกว่ายิงหลงมาเข้าใจแล้วอยู่เพราะฉะนั้นก็คือตรง น, นี้เนี่ย สิ่งที่รู้เรื่องสิ่งที่ได้เริ่มทําก็ปรากฏผลกับพวกเราเนาะที่นั้นค่อยๆปรากฏผลเราเองก็สามารถที่จะพาตัวเองเนี่ยพ้นจากทุกได้ทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจากการค่อยๆวางไม่ดูการบางวางกายรยคลายตรวนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าวางใจกกลางๆไม่เพิ่มไม่เจ้าไม่มีเวลาอยู่เจวันเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้เนี่ยเราต้องได้เราต้องได้เ ร, ไดเราต้องทําได้ หรือเรอต่างๆนา น, นานเหล่านี้ตรงนี้ก็ไม่ใช่เป็นการบางใจกลางกลางอีกแล้วเพราะฉะนั้นคือตรงนี้เนี่ยพอเราเองเราเริ่มปฏิบัติทำแค่ข้อความที่ครูบาอาจารย์ได้แนะนำให้พวกเราได้ยึลด้วยเนาะว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราก็เริ่มได้ใช้สติเนาะในการทบทวนสิ่งที่เรากลังทำอยู่การยกหรือง่ายๆตรงนี้เนี่ยก็ได้ใช้สติไปแล้ว เนงนั้นด้วพาตัวเองเนี่ยได้พ้นจากความทุกข์เป็นลําดับแล้วเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้เนี่ยเราเองเรากางยกมือซ้ำจมัมมอาจจะดูแปลกๆเนาะอย่างนั้นแต่นั่นคือเครื่องมืออันหนึ่งที่เราเองยังไม่คุ้นเคยแล้วก็เครื่องมืออันนี้เนี่ยก็เป็นการคลื่นเป็นเครื่องมือที่หลวงพ่อเทียนเนี่ยตั้งใจว่า การเคลื่อนไหวของเราตรงนี้แหะที่เราจะได้ใช้ในชีวิตประจําวันทั้งวันทั้งวันทั้งมันเนื่องจากว่าตรงนี้เราเองเรากําลังเรียกว่าสร้างนิสัยใหม่เนาะสร้างความเคยชินใหม่อันหนึ่งก็คือเมื่อไหั่ที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยก็ให้เรามีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้ เจ็ดวที่พวกเราอยู่กันตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น7จ็ดวันที่พวกเราเนี่ยจะอยู่กันยุคมือสร้างจังหวะอยู่กันเดินจงกรม2รูปแบบซึ่ง2รูปแบบตัวนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหว ม, มือเคลื่อนไหวเท้าเนาะเคลื่อนไหวขาตรงนี้เนี่ยอุปกรณ์มือกับขามือกับขา2 อ, อย่างเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่พวกเราก็ากเร famoso, ียกมาวันหนึ่งวันหนึ่งก็ใช้กันไม่รู้จะ ก, กี่ครั้งแต่ ก, กี่ครั้งเนาะการเดินการหยิบ ข้าหยิบของต่างๆนานาเหล่านี้พวกเราก็ได้ใช้กันทุกวันหรืนว้าคือตรงนี้หลวงพ่อเทียนก็ตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่าการเจริญสติของพวกเราเนี่ยก็เรียกว่ามีโอกาสด้วยกันทั้งมันหลวงพ่อ เ, เ, เขียนจะใช้คําว่าฉวยโอกาสเนาะฉวยโอกาสทุกโอกาสเนี่ยเพราะฉะนั้นคือตรงนี้เจ็วันตรงนี้คําพวกเราเนี่ยอาจจะมีกิจกรรมที่ดูซ้ำซากซ้ำซากก็คือนื่องสร้างจังหวะเนาะแล้วก็ การเดินจนกล่อมก็อยู่แต่ว่าขอให้พวกเรารู้ว่าความซ้ำซากความซ้ำซากตรงนี้แหละที่ทําให้เราเนี่ยประทับลอยที่เรียกว่าลึกขึ้นได้ว่าโอ้นี่เมื่อไหร่มีการเครื่อนไหวเนี่ยให้พวกเราก็เติมสติเข้าไปตรงนั้นเมื่อไหร่ที่มีการเครื่อนไหวพวกเราก็เติมสติเข้าไปตรงนั้นเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นหน้าที่ใหม่หรือเป็นนิสัยใหม่ของพวกเราอันนึง ตอนแรกอาจจะเป็นหน้าที่ที่เราต้องทํเนาว่าเมื่อไหร่ที่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยก็เติมสติลงไปเมื่อไหร่ที่มีการเคลื่อนไหวก็เติมสติลงไปอยู่กับการเคลื่อนไหวตรงนั้นแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เรากําลังเรียกว่าเป็นหน้าที่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นความเคยชินของเราที่จะติดตามของพวกเราไปทุกความเคลื่อนไหวมีพระน้องที่บวชมารักเราเนี่ยก็ถึง พระคุณษาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีต้นปีหมายถึงต้นปี2552นบเนี่ยหลวงพ่อนเขียนก็บวชพระไปประมาณสักบห้ารูปเนาะซึ่งเจ็ห้ารูปเนี่ ย, ยก็ประมาณสักเจรูปหรือเกือบเกือ บ, บถึงเนี่ยก็จะอยู่ที่วัดกันเพราะงคือก็จะมีพระเนี่ยที่มุนเวียนเข้ามาบางทีก็บางรูปก็บวชเดือนหนึ่งบางรูปก็บวชมากกว่านั้นบ้าง บารุ่ก็บทน้อยกว่านั้นบ้างดังนั้นคือพอบทเข้ามาเนี่ยก่อนแรกเลยเนาะ อ, อย่างนั้นบทเข้ามาพวกเราจะบทกันตันเช้าเนาะอย่างนั้นบทเสร็จตอนเช้าฉันเพนเสร็จกิจกรรมแรกเลยก็คือเรื่องของการที่เราได้หัดคล้องจีบอลกันในตอนบ่ายหัดคล้องจีบอนเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่แบบก็เรียกว่า พบอย่างมากนะของพระใหม่ๆเนื่องจากว่าการเคลื่อนไหว ม, มือเนี่ยยังเป็นการเคลื่อนไหวที่เรียกว่าบางกายไม่คลายเลยละ่นะน้ำต้องเลกว่ามือไม้เนเกรงไปหมดจับแค่จับจีบอลเนี่ยผ้าน้ําหนักอย่างเงี้ยสุดให้ปงกิโลนึงเนาะอย่างนั้นมันทำไมมันถึงได้หนักหนาสาหัสนะก็ไม่นะรู้นะครองจีบอลอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยเคยมีครั้งหนึ่งเป็นวิศวกรนะฮะมาบวช จลาเขาเรียกว่าจลาศึกสเสดี๋นั้นเลยนะฮะบอกว่าทำไมการแค่คลองผ้าทุกเนี้ยทำไม่ได้โนอย่างนั้นก็ตรงเนี้ยนันก็นั่นก็คือเป็นเรื่องที่ตัวเองเนี่ยธรรมดาเรวเองเนี่ยเราก็จะพาให้ความชอบความชังเนี่ยลากเราไปเนาะโน่นนั้นลากเราไปลากเราไปก็ความชอบความชังลากให้เรามาก็มาความาชอบความชังจะลากให้เราไปก็ไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือตรงเนี้ย พวกแบบฝึกหัดพวกนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่พอเช้ามานรุ่งขึ้นเดินบินทบาทก็ความรู้สึกตัวนะอยู่กับความรู้สึกตัวนะใช่ไหมอย่างนั้นทุกครั้งที่เท้าก็ทบเพลินทุกครั้งที่มีการเคลื่อนหมายรู้สึกอยู่กับตัวนะพอกลับมาจากบินทบ่านเสร็จก็ท้งท่านก็ถามว่าเนี่ยผมอยู่กับความเจ็บตลอดทางเดินเนี่ยรู้สึกตัวตกเต็มไหมอย่างนี้อย่างนั้นไม่ใช่นร อ, อย่างนั้น ควรู้สึกเจ็บโดยความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ไม่ว่าจะเป็นสัตว์โลกอะไรก็รู้สึกเจ็บเหมือนกันทั้งหมดแต่ว่าะนั้นคือตรงนี้เนี่ยภายใต้ความเจ็บเนี่ยเราชอบไหมเราชังไหมตรงนั้นต่างหากที่มาเป็นสิ่งที่เราจะต้องคอยรู้สึกเนาะอย่างนั้นว่าอืมเนาะพอความรู้สึกชอบความรู้สึกชังตรงนั้นเกิดขึ้นเนี่ยก็ปรากฏว่าพระท่านมีน้ำหนักมากหน่อยเนาะน้ำหนักท่านคงจะอยู่ที่ละล้าสัก แปกว่าๆอย่างเงี้ยปรากฏว่าสองสามวันผ่านไปท่งก็ยังวางใจไม่ถูกนะกับการที่เดินบินทะบาดผ่านหินผ่านกรวดเจ็บเท้าสาสี่วันผ่านไปก็ต้องมาข อ, อยาโนดเหมือนมาข อ, อยาบอกว่ามีพวกเขาตัดเพนไหมอะไรเงี้ยก็ถามว่าเป็นอะไรบอกว่าเมื่รู้เป็นอะไรเจ็บ ตรงเส้นเหนือตะตุ่มอย่างเงี้เยรรเลยถามว่าเอ๊ะไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยเราลองทบทวนดูซิว่าเป็นอะไรก่อนที่จะขอยาก่อนที่จะทายากันเนี่ยนะอย่างนั้นจะได้จัดยาถูกบอกเนี่ยมันเจ็บมันเจ็บปวดปวดที่เส้นอย่างเงี้เยเลยถามว่าเอ๊ะมันมาจากไหนกันอย่างเงี้ยบอกว่าสงสัยมาจากการเดินเนาะอย่างเงี้ยก็เลยบอกบอกท่านบอกว่าเอ๊ะเราเป็นยังไงทําไมถึงได้เดินเป็นอย่างนี้ เดินไม่ปกติยังไงอะไรเงี้ยท่านก็ค่อยๆทบทวนมาโอ้ oh, นี่นะท่าเดินที่ทําให้เจ็บเนี่ยก็คือท่าเดินที่ผ่านผ่านการเดินตอนช่วงบินทบาทใช่ไหมอย่างนั้นปรากฏว่าเกิดอะไรพอเจ็บเท้าปุ๊บเนี่ยใช่ไหมปฏิกิริยาของกายคืออะไรก็คือก็ต้องเวลาจะก้าวต่อไปก็ต้องเกรงนะเนาะกลัวเนาะใช่ไหมอย่างเงี้ยกลัวจะเจ็บอีกกลัวจะเจ็บอีกน้า mm. หนักตัวท่านก็เยอะนะการเกรงตรงนี้เนี่ย การที่ปาดเท้าลงไม่เต็มที่เนี่ยมันก็ทำให้เกิดการที่ใช้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นที่ผิดปกติไปก็ปรากฏว่าผลก็คือความกลัวเนี่ยทำให้เราใช้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นที่ผิดปกติไปความเจ็บปวดที่ดำรงอยู่จนกระทั่งมาขอยาเนี่ยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกตรงนั้นใช่ไหมอย่างนั้นก็ถามเพิ่ว่าตัวนี้ยังเจ็บเท้าอยู่ไหมเนี่ยยังเจ็บไหม ยังเจ็บมากไม่เจ็บแล้วเพราะเนื่องจากว่าในขณะที่เรากําลังเดินอยู่เนี่ยเจ็บก็เจ็บแค่นั้นแหละแต่ว่าก็เลยถามต้นต่อว่าเอะแล้วไอ้ที่การเจ็บขาเยอะตัวเนี้ยมันเกิดมาจากอะไรกันนะใช่ไหมนี่ก็คือการที่พอเราเนี่ยไม่ทันระวังเนาะไม่ทันระวังไม่ทันดูกายดูใจเรา จะ ไ, ไม่ทันได้ดูการเคลื่อนไหวของเราว like like, oh anyway, ่ามันเกิดจากอะไรยังไงต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าใจเราที่กลัวเนี่ยมันก็ใช้กายเราเนาะอย่างนั้นใช่ไหมให้แบบว่าเหยียบไม่เต็มเท้าเนาะให้เรื่องหลบๆต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยผลท้ายที่สุดเนี่ยก็เรียกว่าอาการบาดเจ็บที่เกิดจากใจทําเนี่ย มันคงค้างอยู่แล้วก็ค้างต่อไปอีกอย่างน้้ยก็เป็นอาทิตย์แต่อาการเจ็บจริงๆที่เกิดจากการที่กายเหยียบหินเนี่ยมันหมดไปตั้งแต่ครั้งที่เรายบเท้าขึ้นมาจากหินมันก็จบไปแล้วจบไปแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือตรงเนี้สิ่งที่พวกเราเองเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติกันสิ่งที่เราจะต้องทำกันตรงนี้เนี่ยจะเกิดเขาเรียกว่าอานิสงส์กับพวกเราเนี่ยอย่างมากมากก็คือว่า ของพวกเราทุกวันนี้เนี่ยที่เกิดจากทุกทางกายเนี่ยมีไม่เท่าไหร่แต่ทุกที่เกิดจากทุกทางใจเนี่ยที่มันติดตัวเราแล้วก็ทําให้เราเนี่ยก็เรียกว่าหนักหนาสาหัสกันเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยหนะูก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้ตั้งใจกันน้าตั้งใจเจริญสติผ่านความเคลื่อนไหวตรงเนี้ยนะการเคลื่อนไหวธรรมดาธรรมดาตรงเนี้ยที่ซ้ำซ้ ำ, ซ, ำซักซากอยูตรงนี้ละ่นะเนาะ ที่จะค่อยๆพาให้พวกเราเนี่ยได้พ้นทุกข์ไปตามลำดับอย่างที่พวกเราเองเนี่ย <ว window. S 1> ก็ได้พบว่าการที่พวกเราเคลื่อนไหว ม, มาเคลื่องมันเนี่ยพวกเราก็จะพบมาอันที่สุดเนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งที่เคยเป็นทุกข์อยู่เนาะพาพวกเราเนี่ยให้อยู่เนาะอยู่ความรู้สึกตัวอยู่การเคลื่อนไหวอยู่ความรู้สึกตัวอยู่ความเคลื่อนไหวเนี่ย พวกเราเองก็จะพบว่าพวกเราเองก็อยู่กับความเคลื่อนไหวตรงนี้โดยที่เาเรียกว่าไม่ตกอยู่ในห่วงของความคิดในบางช่วงซึ่งเราไม่ตกอยู่ในห่วงของความคิดบางช่วงเนี่ยบางทีสิ่งที่เราเรียกว่าคิดมากมา ก, ก็จะไม่ปรากฏกับพวกเราอย่างนั้นไม่ปรากฏเป็นระยะระยะบางทีก็ลืมคิดไปว่าอะไรยังไงก็ใจก็มาอยู่กับการเคลื่อนไหวตรงนี้เนี่ยตรงนี้ จะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าพวกเราได้เรียนรู้เรื่องการวางกายเรื่องการวางใจเพราะใจเนี่ยที่เราวางไว้ตรงไม่ทุกเนี่ยใจมันก็ไม่ทุกพอเวลาใจไปวางอยู่ที่ตรงทุกใจมันก็ทุกเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้ที่เรียกว่าความหนักหนาสาหัส ข, ของเราที่เกิดจากใจธรรมตรงนี้จะค่อยค่อยหลุดไปเป็นปเปาะเปราะเปาะก็คอยพวกเราเนี่ย ได้สังเกตตรงเนี้ยเนาะได้สังเกตก็เรียกว่าความรู้สึกตัวในขณะที่เรากําลังสังเกตความรู้สึกตัวทุกความเคลื่อนไหวตรงนี้เนี่ยก็ขอให้พวกเรารู้ว่านี่แหละคือสิ่งที่จะพาใจเราเนี่ยให้ค่อยๆมาอยู่ในส่วนที่ไม่เป็นที่ก็เรียกว่าไม่เป็นทุกข์ที่พวกเราเนี่ยเคยเอาใจเนี่ยไปผูกเอาไว้นอกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนันคือตรงนี้ก็ขอให้พวกเราตั้งใจเนาะ ทุกครั้งที่เรายกมือสร้างจังหวะ ก, กันทุกครั้งที่เราเคลื่อนไหวกันเนี่ยตรงนี้ละทุกความเคลื่อนไหวนี่หละ่ะที่จะช่วยพวกเราเนี่ยทุกน้อยลงตามลําดับแล้วก็คอยพวกเราเนี่ยก็เรียกว่าทําตามที่ครูบาอาจารย์แนะนําเนาะเข้าใจว่าอาจารย์ตรงศิลป์ก็คงแนะนำแล้วล่ะว่าการเคลื่อนไหวตรงนี้เนี่ยหลักการก็คือในขณะที่เราเคลื่อนไหวถ้าเรารู้ว่าเราคิด ก็ให้กลับมาถ้าเรารู้ว่าเราคิดก็ให้กลับมาตรงนั้นตรงนีน้นี่คือสิ่งที่เกิดมาเป็นหัวใจสำคัญสำคัญที่สุดเนาะของการเคลื่อนไหวก็คือการที่ถ้าเราคิดจะมีความรู้สึกตัวจะอยู่ที่ไหนนะอย่างนั้นความรู้สึกตัวก็ไม่อยู่กับการเคลื่อนไหวแล้วเนาะใจไปอยู่ความคิดแล้วเพราะดังนั้นคือตรงนี้ก็ เคลื่ายกมือก็ยกมือไปแกนแกนยกมือไปตามอัตโนมัติแต่ถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยเอาใจมาใส่ไ้กับการเคลื่อนไหวตรงนี้รู้สึกกับการเคลื่อนไหวตรงนี้เนี่ยใจเราก็จะไม่ไปอยู่ความคิดเพราะฉะนั้นนั้นคือตรงนี้อาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่พวกเราทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างอาจจะมีเอ่บ้างอาจจะมีอ้อบ้างอะไรเงี้ยก็ขอให้พวกเราเนี่ยค่อยๆเรียนรู้กันค่อย่อเรียนรู้กันเป็นลาดับแต่ว่าตรงนี้เนี่ย ก็ขอให้พวกเรามั่นใจว่าตรงนี้คือสิ่งที่หลวงพ่อเขียนยืนยันชัดเจนมาตรงนี้เป็นตั้งแต่เบิ่มต้นแล้วก็เป็นทั้งท่ามกลางแล้วก็เป็นถึงที่สุดเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้ก็ขอให้พวกเราใช้โอกาสที่พวกเรามาอยู่ตรงนี้ให้เต็มที่ก็เมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานสองวันที่แล้วเนี่ยก็ชาวบ้านเราเนี่ย เขาเรียกว่าช่วยกันระดมกันซ่อมซ่อมคอสะพานที่พวกเราที่ผ่านก็นมาก็จะเห็นนะมีพระมีโยมทํางานกันเต็มไปหมดเนี่ยปรากฏว่าสองสองวันเนี่ยยุ้งทางานกันเต็มที่ปรากฏว่าสิ่งที่ขเขาเรียกว่าไม่ไม่ถึงก็คืองานใหญ่ๆเนี่ยภายในเวลาสองวันเนี่ยสามารถสําเร็จได้เพราะฉะนั้นก็คือตรงเนี้เกิดจากอะไรเกิดจากที่พวกเราเนี่ย ทำกันรุนแรงกันอย่างเต็มที่ทุกขณะทุกเวลาเนี่ยต้องเรียกว่าไม่ว่างกันเลยก็เรียกว่าก็เรียกว่าทํางานแข่งกับเวลาเนาะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าพวกเราใช้ความพยายามตรงเนี้ยเนาะยกมือสร้างจังหวะเนี่ยแข่งกับเวลาเนี่ยก็มั่นใจว่าในเจวันนี้เนี่ยสิ่งดีๆงามๆเนี่ยก็จะต้องเกิดขึ้นกับพวกเราแน่นอนเหมือนกับ สิ่งที่ดีท ง, งานที่เกิดขึ้นกับชุมชนในะอย่างน้อยคอสะพานที่กำลังจะพังก็ปรากฏว่าได้ยินเสียงพระลงรูปท่านบอกบอกว่าเนี่ยน่าจะได้อยู่มากกว่า5ปีจากการทำงานสองวันเพราะฉะนั้นนคือตรงนี้ก็ขอขอให้ญาติโยมเนี่ยได้มั่นใจเนาะว่าถ้าพวกเราเนาะได้พยายามที่จะเรียนรู้ได้เอาใจใส่เนาะลองเจริญสติแข่งกับเวลาตรงนี้เนี่ย ก็มั่นใจว่าเจ็ดวันที่พวกเราอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเจ็ดวันที่เขาเรียกว่าพวกเราเนี่ยได้ใช้ตลอดไปก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้เรื่องการจเจริญสติในในช่วงนี้แล้วก็หลวงพ่อเขียนก็บอกว่าก็อยากให้สุกโตเป็นบ้างที่สองของพวกเราเนาะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเรามาแล้วก็ขอให้มีครั้งต่อไป ก็ไม่จําเป็นที่าต้องเข้ามาเป็นคอสไม่จําเป็นที่จะต้องเข้ามาเป็นอะไรก็ขอให้เรียกมาเดินเข้ามาอาศัยที่นี่เป็นที่เจริญสติแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่อาศัยพื้นที่ตรงนี้เจริญสติอย่างเดียวแต่ว่าเอาหลักการของการเจริญสติเอาการที่เราได้เรียนรู้ตรงนี้เนี่ยกลับไปใช้ทุกความเคลื่อนไหวในชีวิตของเราอนุตมทนากับทุกท่าน ตราก็กลับพระพร้อมกัน